พ่อเจริญพรท่านอธิการบดีท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปโจแขกภูมิเกียรติทุกท่านทุกคนเนาะขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเถระทุกรุปพอดีท่านอธิการเปิดอู้เมืองไปก่อนแล้วพระอาจารย์จะอู้ไทยกับใบใจละกับเนี่ <c oughs> <c oughs> อตาตมาของข้จะต้องปรับจาก f อเมเป็น a อเห็มลห ก็ตอ้องเหมือนไงเนาะมันมาถึงขันนี้แล้วเนี่ย <c oughs> มันจะยุ่งกระตรงที่เอาพระฝรั่งมาตว <c oughs> ัวไเดี๋ยวนี้บอกเปินว่าเขาจะอู่ไทยกันมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> อยู่อู่เมืองอะไรกันเนาะอันตรามเรมาลุปเดียวเนอะในมณฑุเจ้าฝรั่งมาตยัยเป็นพระลูกครึ่งเป็นพระลูกครึ่งชาวสวิสสวิตเซอร์แลนด์กับเซีงยงไฮ อูเมืองได้อูไทยได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันดีมากปิ่นมาอยู่กับอัตตมาเหตุผลกับมันอย่างนักเปิ่นยู่สววสเซอร์แลนด์แล้วมันรวยลํำไปมันเซงทุกสิ่งทุกอย่างมันสะดวกสบายไปหมดก่อเป็นรวยขายเครื่องบินเล็กติดปันใใ่นเจ้าในสวนนะแกมาหั่นโดย แกบอกป่อดขายขิงบิ๊กเล็กใจใผลยาด้แกว่มามันค่าสัพทชีวิตแกบอกเอาด้วยแกบอซื้อถอดธุรกิจนี่ซึ่งมีเงินเป็นพันพันล้านโรงงานช็อกโกแลตแหมทุกภาคแกบอกว่าเปล่าหนีไหมเห็นอยู่เจงยงไม่นีไม่เห็นอยู่เจยงไม่ซื้อลดกันละหกเจดแสนครับเซงครับคนเดียวเลยซื้อเคื่อเพื่อนแหมเจคนรถมอเตอร์ไซค์นะ กันเล่ะป็จ็แปดแสนมูฮาไข่ฟังรดกันแ0 0แสนเนาะลองบ่นให้ฟังสังกหน่อยหนึ่งตอนนั้นครขับรถอยู่เชีงยงใหม่ตากับเปื่อนเปื่อนขึ้นดอยสุเทพ8ปนาทีแกบอกวา่าฉันจะขับขึ้นหกนาทีเก่งกอเนี่ยลูกจึงห า, งายมาเชียงใหม่ใช้เวลาแค่ลูกบันประสงังเนาะไก่กว่าไล่เจินตะวนันกันแค่สองชวโม ไปกรุงเทพถ้าอองห้องหมองเตียงคืนก็นถึงแล้วเปิ้ลบิดรถเก่งขนาดนี้เรามีฮันบานจุดเปลี่ยนในชีวิตของเปิ้ลคือบิดขึ้นดอยสุเทพหกนาทีถึงถึงเดี๋ยวมาฟังเปิ้ลเราคือฟังก็เป็นลจะได้ตอนขึ้นดอยสุเทพหกนาทีนี่ยูเหมือจะอาออกเอาจู ห, าา ห, จหันเนาะกำเอาไม้จูฮันเนาะเปิ้ลอยาจะอู้สองภาษาเนะอะเพราะว่า บางยังมันกับบชาชาติแต่เน่เป็นมันเป็นเมืองอยังได้ห่วมกันนะอ่าเจริญปอนเนาะ <c oughs> ดีดีใจที่ันที่ได้เจอทุกท่าน <c oughs> <c oughs> พอดีตอนนั้นอ่ไปเฮียนโรงเรียนนาน า, น า, นาชาติติเชิงมหม่เป็นโรงเรียนติ้างโดง เป็นลาน่าอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลไปเหียนมหกเหียนมหกจบก็พอดีไปซื้อลดมอเตอร์ไซค์ซื้อลดมอเตอร์ไซค์คาวาซา ก, กินินจาหกสามหกกันตอนนั้นอะตอนนั้นมันคันละหกแสนปลายก็พอดีจะมีกูวัน Saw, o n s <laughs> a Suk, a every Friday, Saturday and Sunday. Today, เจอเพื่อน meet my friends, <laughs> เป็นชมรมมตไซก็พอดีจะมีเพื่อนคนหนึ่งอแกขึ้นโดยสุเทพภายในแปดนาที so I wanted to race him too. แข่งก um, ับมันด้วยอยากแข่งเพื่อนมันเพื่อนก็ได้ขี่รถ KTM Duke 8 0ดร้ซีซีขึ้นไป and I had a rich friend เป็นเพื่อนเศรษฐีแกมีรถคันหนึ่งเป็น Suzuki Hayabusa พ3 0 0ซีซีพอดีแกก็บอกว่าเออคัเลน you can do it it's so easy เพราะเวลาเล่งนี่มันจะตึงเร็วกว่าคันนั้นอ่ะ พอดีตอนสตาร์ทรถก็เสียบคนแจลงไปเสียบคนแจลงไปก็จะมีเสียงติ๊กก็ c ีพีูก็จะเปิด The e n g ช n e will open มันจะมีเสียงอีติ๊กก็สตาร์ทรถ สตารทยมฟังรถเปืี่ยนวันนั้นกันเต่นฮะการละลันรถเี่ยนนะกละลนต็จคีขึ้นนั่นกาละลนกเสียงมันเป็นังไตอนที่สตาร์ทรถเนาะกดปุ่มสตาร์ทก็จะมีเสียง เสีมันนึงหนุ่มหน่อกาลาลานนี่ยเนาะมันละมันซีซูปนเนาะแล้วขึ้นไปถึงไหนพันี้ตอนตีเ ข, าข้าโค้งทุกโค้งก็เข้าก็จะมีเ ข, าข้าโค้งก็วูซับเกียร์ลงตุ๊ไฟก็จะออกมาวุ้มวุมตอนตีเร่งขึ้นก็วูๆๆมันจะมีโค้องอันนึงอ่ะจะเป็นโค้งตี่านธะ โดยสุเทพพระธาตุคูบาซีวิชัยตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นชาวพุทธเนาะก็ขี่พานก็บม่ได้ไบโตอนตีขึ้นไปอ่ะมันจะเป็นทางตรงกับจะมีโค้งซ้าย <c oughs> พอดีตอนนั้น่ะก็เร่งขึ้นไป200กิโลเมตรต่อชมง Two hundred kilometers per hour. ตอนที่ขึ้นไปก็จะมีเสียง m มันเสียงยังจะได้สูตมัน่เอ่อพอดีจะมีรถกระบะ pickup, s u u ลุนเก่าขนนักน่าชื่อมือหปุนะ พอดีพอดีต <culpa> ู่ก็ได้สมัยกตอนเป็นขลาวาด when I was a normal beings น no? ะตอนนั้นก็ไปแข็งแม่ลาวไปแข็งสนามแข็งบุรีรัมไปแข็งหลายที่ก็พอดีตอนนั้นเราก็ได้เข้าโค้งจ้าง I could go into the corner proper น no? ะ ก็พอดีตอนนั้น่ะคนไทยเขานี่นะเวลาขี่รถนะ when they drive the car มันจะมีโก้งซ้ายคนที่เข้าโค้งซ้ายมันก็จะเข้าสาต้ติติ๊กอะ่ะใกล้จะตกหลุมแฮมซั ม, มตกห้อง <laughs> fall down the cliff นะคนที่เข้าโค้งขวาคนนั้นก็จะกินเลนติกต๊กๆ๊ะ เข้าเลนซ้ายตลอดเข้าเลนขวาตลอดเข้าเลนขวาก็พอดีเวลาเข้าคงกับ200กิโลเมตรต่อช่โมองอะ่ะมัน <laughs> it will push you to the to the side นะพอดีตอนนั้นรถกับบ้านนั่นมันก็เขามันก็กิกนเลนเขาจนเขาบ้ม um! สมัยก่อนอะ่ะแม่บอกว่า my mother s a i d to me all the time ลูกจะไปขี่เร็วปะล่ำประเลีย <laughs> ขี้เร็วสักม oh ือก็ได้มันต anyway ึงบินไปได้เพราะมันบัดชีเป็นเครยงบิน is not an airplane นะ is a motorbike with two wheels บัดชีมีปีกหอกพอดีตอนนั้นะตอนตีชนรู้สึกบินจริงจริงันมันสานขึ้นไปเลยครับมันตีลังกาด้วยนะครับพ่อจันโอ้เด็ตอนตี เราจนนี่เรานึกถึงแม่เราก็คิดในใจแม่ลูกบินได้แล้วนะครับก็ตอนนั้นก็ชนพื้นชนพื้นรถมันก็ตีลังกาต่อไปมันก็ชนคางดอยตอนตี when I wanted to stand up ตอนตีอยากลุกขึ้นมาเราก็ยำใส่ขาข้างขวายำใส่ปุ๊บก็ตกอีกข้างหนึ่งก็คิดในใจเอ๊ะไอหยังของมันวะ ก็ลงดูอีกข้างหนึ่งก็ยามอีกข้างหนึ่งก็ต๊กอีกข้างหนึ่งตอนนั้นก็ยกนอนลงก็ยกแขงขวาขึ้นไอ้ลิฟต์จะดับไม่เล็ก็พอขาปกติขาเฮามันจะตรงอย่างงี้พอดีโจนมาขาของเขาห้อยอย่างงี้เลย <c oughs> มันหักสองตอน no? <c oughs> ้นเนาะกระดูกก็ตั้งออกด้วยกระดูกหักออกมาตั้งนอกกางเกง แล้วอยู่ห้องกับอย่างอันป่นห้องว่าขาหักอยู่ห้องว่ายังพอดีพอดีพอดี when I had the accident คนตีขีลรถกับบะ he came out of the car ออกมาจากรถก็ถามเออน้องเกิดอะไรขึ้นเขาก็ so I answered ตอนนั้นยังตอนนั้นยังอูภาษาไทยยังบอชัดเตี้ยตอนนี้ก็ยังอูบอชัดเตี้ย ก็ตอนนั้นปกติเขาจะตอบว่าผมแข็งฮักก็ตอนนั้นยังอู้ประชัดก็ตอบว่าผมฮักขาผมฮักขาผมแข่งผมแข่งฮักกลายเป็นผมฮักขาแล้วเสียงเปิดมันกับบ่ายชัดเตื่อแตนที่เขาจะล่อเข้าไปจ่วยเปิ้ลเขาก็ถามแหมอย่างนึงถามว่าอดไ So he asked me, "Nong, Nong, nǐ มาจากไหนมาจากพม่าหรือมาจากประเทศไทย He thought, "Nai Chai, mứng chả tham gú khâm nǐ làm m i y à? Chef cơ chef yàng mà tham, bên người pâm à? Bên n g o ờ i t h a i p e c a u s e because the samneang is very t h a i t e t h l e are h n c h a d until the o n e o m a o u แตนที่จะไปสนใจตรงนั่นบะสนใจถามา่ะเป็นพมา่าก็เป็นไทยแระยุตอมาได้ตอนนั้นตอนนั้นเราก็นน go, มาต่อไปอยังแล้วพ่อรถพยาบาลมันขึ้นมาแล้ว <c oughs> ขึ้นมาแล้วป็นไงถึงโรงพยาบาลเลยก็ระวังนั้นไม่อย่างเกิดขึ้นต่อตีรถพยาบาลขึ้นไป When he came up to the mountain <c oughs> รถมันก็จะผ่านไปดีดาดีดาดีดาดีดาเราก็จำไว้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วพ่อชอบ my father jokes all the time เวลาได้ยินรถแกก็จะบอกว่าเดดนาวเดดนาวเดดนาวเดดนาวเดดนาวพอดีพอดีตอนนั้นตอนตีก่อนจะจนนี่ เขาบอกเคยหันแข้งของเราอ่ะมันห้อยอย่างงี้นะ my เล g is actually straight มันจะตรงอย่างงี้เนาะพอดีมันหักเนาะมันก็จะห้อยอย่างงี้เขาก็ตอนตีท่านคนเท่านั้นถามเราก็เราก็บ่ได้ตอบแกแทนนั้นอ่ะเขาก็ดูแข้งของเราเราก็ดูแข้งของเราเราก็ลองขยับมันมันห้อยอย่างงี้เราก็ขยับมันมันก็ไปอย่างงี้นะไปมา ไปมาไอไอวอนเ o try ทูทร t h ติ g งลองเล่นดูเพาะบอกเคยหันคาอย่างงี้พาะมันโดนชาด้วยมันยังชามันยังบรู้สึกตัวเลยแกบหูว่าแข่งแกหักไปแล้วแกก็เลยเกิดว่ามันอ่ะยังจะได้ก็ลองจับขย่าวพาอแหมคำนึ่ง <laughs> ข ย, ย่าวยังได้ก็ครั้งแรกก็เล่นขยายน้อยเดี๋ยวไปมาแล้วก็มันติดอารมณ์ เรา้นใเราเคยเอาแรงแรงมันกับไปมั่วของมันเหมือนกันเราจะตายมันจะมูดตัวนะก็ตอนตีรถพยาบาลนั่นมา I felt the pain นะรู้สึกความช้ามันหายเลยพอดีตอนนั้นเล่นเยอะเกินไปตีนของเฮาปกติมันจะอยู่อย่างนี้เนาะเวลาเฮาพอมันนะ ก็พอดีเล่นเยอะเกินไป I play too much ตีนมันก็เปลี่ยนมาจะอี้เลย <laughs> ตอนพยาบาลมานั่นน่ะแกก็ต้องวางขาของเขาอะ่ะตรงไหมตรงตรงเนาะเพราะมันจะต้องอยู่ตรงพอดีตอนนั้นน่ะพยาบาลมาก็ดูแข้งของเราก็ต้องปับหือมันตรงก่อนก็ครั้งแรกก็ต้องดึงกระดูกเขา้าคุก ดึงกระดูเข้าก็ต้องปั๊บอีกเสียบเข้าไปอีกคกโอ้โห <laughs> oh it was so painful นะเจ็บขนาด น, นักป <laughs> กติเวลาเขาเจ็บนี่เขาจะ้องว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะก็นี่มันห้องไป่ได้ละมันก็นห้องมันเจ็บขนาดนัก so much pain นะตอนที่ขึ้นรถพยาบาลแกก็อตอนที่นอนลงแกก็อบอกว่าเออท่านหมต้องเป็นห่วงละ เดี๋ยวก็เข้าพยาบาลเดี๋ยวก็พาตัดเนาะแก okay, ก็บอกว่าก่อนตอนนี้นอนสบายรีแล็กซ์ล้วก็สบายใจแล้วก็พอดีเชียงใหม่นี่มันลุมมันนักลุมมันนักก่อรถพยาบาลมันขี่เหลวทุกครั้งเวลามันตกลุมนี่แข่งเฮามันก็ยังบดยังบ่อติดแต้เตี้ยเนาะทุกครั้งตกลุมก็โอ้ยโอ้ย ปาเป็นกรรมของฉันทำไมฉันต้องโดนขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> เราตอนเข้าเรองบานเป็นจังไงได้ข่าวว่าหมอลืมฉีดยาชา <c oughs> มันบบน่าเจอดนะหมอเชียงใหม่ลืมฉีดยาชานะแข้งหักสองท่อนเ <c oughs> ข้าเฟือกเรียบร้อยเลยโดยไม่ได้ฉีดยา อยู่เล <heard> <beers S 1> ่าให้ฟ <trek. S 2> er ังเล่าเป็นไรบันได้เขาเฟืกบัได้เขาเฟือกแต่น้อบัได้เขาฝึกอันนั้นตามเลขมันมันต้องเข้าฝฟือกแต่มมอมเจ้ยาเลยก็พอดีตอนที่เข้าเขาก็จําไว้หมอหมอนี่มันสาดิสเวลาเขามีพัสเตอร์เนาะเวลาเขามีพาสเตอร์แผลเล็กๆเนาะน้อยเป็นเราเนี่ก็จะดึงออกช้าช้าช้าช้า s l เนาะเพราะมันเจ็บเนาะก็พอดี <c oughs> เวลาไปหาหมอเนี่ยเวลามีแพรเล็กๆมีพลาสเตอร์แกก็จะดิึงออกชิกอ้อย <c oughs> มันชอบเวลาห้องห้องนะหมอมันสาดิสกันกูคนอะจำไว้ <c oughs> พอดีตอนตีไปโรงพยาบาลก่อนจะเข้าห้อง i อซก็ต้องบอกว่าแกก็จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ตอบว่าแข้งหักเลยตอนนั้นยังอูประชติเดียวก็บอกว่าหักขาอีก <c oughs> s เขาก็จำไว้มอมันสาดิสตอนตีมันจะเข้าไหม้ตรงๆนะแกต้องพันพาให้มันอยู่ so it sticks เราก็จำไว้มอมันสาดิสเท่าก็บอกว่าห้ามเธอไม่ต้องแกฉันจะแกเองเราก็แกเองคนเดียวแล้วก็พันพาออกชะซๆๆๆพอดีคิวข้างล่างอ่ะมันเติมมาเยอะขึ้นคนมันเยอะขึ้นคนมันเยอะขึ้น หมอมันก็บอกว่ายังไม่จ้าแต่จ้าวาคนลอกันเป็นสาวกคนก็กำผ้าของเฮานั้นอะ่ะดึงลงไปจักลงไปไม่มันก็โตข่าเขาก็หอยอีกข้างหนึ่งกระดูกมันก็ตั้งออกอีกข้างหนึ่งโอโ้โหหมอนี่มันดึงตอนที่เข้าห้องไอซแกก็ต้องปั๊บขาให้มันตรงอีกข้างหนึ่ง ตอนนั้นก็มีคนชุกชื้นเยอะมาก so many people ก็ต้องดึงออกอีกครั้งหนึ่งปับพือมันเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่ง after that ลุงมาเที่ยวฮามาเยี่ยมบอกว่าคาเ่นเป็นยังไงแล้วเขาผ่าตัดเลยยังก็บอกว่ายัง they didn't made the operation on me แกก็ตอบว่าถามว่าเป็นยังไงตอนนี้เราก็บอกว่าเพียนมาก I am really tired ลุงก็ถามว่าแกฉีดยาไหมพยาบาลฉีดยาไหมหรือยากินไหมก็ตอบว่ายาอะไรลุงก็สะดุ้งเลยวิ่งไปหาพยาบาลปรากฏว่าเขาลืมฉ <c oughs> ีดยาชาดึงขาเจ็บก็เจ็บห <c oughs> ลังจากนั้นพยาบาลก็มา มาอีกครั้งหนึ่งมาฉีดยาชาตอนที่มันบวดเจ็บแล้วนะ <laughs> <laughs> นลุงไปขอคือฉีปวดก็ฉีเธอเนาะแต่ขั้นตอนมันจบไปแล้ว <c oughs> ตังคันปวด ก, ก็เลยจําไว้อันนี้จุดเปลี่ยนในชีวิตของปเปิ้ลเปิ้ลก็เลยมาบวชมาบวชกับพระอาจารย์ <c oughs> แต่ก่อนจะบวชกับพระอาจารย์เปิ้ลไปบวต่าง อ, อําเภอ เจ้าบาดกับบะฮู้ว่าเปิลเป็นฝรั่งบะฮู้ว่าเปิลอู่เมืองได้ก็เลยเครียดกันมดวัดลูกครึ่งมาบวชบวชเซตเจ้าบาดปิดห้องวันขาเลยกัวได้อู้ภาษาอังกฤษแน่นอยกินเขาไงเราไปโรงเรียนกะหายซักปิกมานหนึ่งดือนกัวได้อู้กับพระฝรั่งอยู่มาหนึ่งเดือน แม่เปิดกระหมาปาตอยู่ลูกกูจะบไดอะหยัง้วน่ปาเป็นลาตุลุงลูกลาตลุงนี่ยแกก็เลยอู้เมืองสตุลุงตลุงก็หัวันนเ่ออ้กำเมืองได้ตลุงก็บอกถามแม่ว่าก็ลูกก็อู้เมืองได้่ยมาบอกตุลุงก็ตอนนั้นตุลุงถามว่ามันอ้ไทได้ก็ไทยนี่มันเป็นเจเมืองนะ ถ้าเจ้ากับบอกกับบัได้แถ่มันอู้คำเมืองได้ว่าเคยมาอยู่กับอุ้ยอุ้ยออังกฤษบัได้อุ้ยก็เท่าเหมอ่อเท่ามอนสอนล้านก็สอนคำเมืองสอนเผ็ดต้มเล่าขาวบุญพอเกิดได้คำเมืองมาอย่างเดียวตัลุงตัวลุงกว่าจะว่าเปิดอู้คำเมืองได้จะเป็นพราะไปลาปิกแล้วสุดท้ายแม่ก็แม่ก็กตุก ว่าลูกกูนี่มันก็อูกับเมืองได้พ่องบาได้หลายอูอังกฤษกับเยอรมันอย่างเดียวจะไปหาทุกเจ้าที่ไหนส่กันมดจังหวัดสุดท้ายกับไปหาตามาแกไปหาตามาแกก็ถามว่าคุณจะพูดอังกฤษเขาก็บอกว่าโอ้ตุนี่มันดูถูกเขานะอูได้าสาวภาษาก่อนเป็นก็นเลยได้อยู่กับตมะมา ตอนแรกกับบาร์ลับรู้สึกแบจะได้เบ้ใจบ้างเนาะมันห้หลวงอ่ะพอก็ปาโตพอประวัติมันแล้วมันแม่บอกว่าแม่เนี่ยไปหงบ้านกับหงพักเป็นเรื่องปกติเคยมีเงินเป็นส اؤ ล้านมาอยู่เมืองไทยปีเดียวลดลงมาเหลือสองสามล้านพ่อลูกอย่างเดียวก็ซื้อลดเดียวก็ซื้อลดซื้อออกไปน้ำมันมดก็สวะกงทางหเพื่อนเห เสือให้หมาเนี่ยได้อเปิดร้อยอะมันจุ่มัได้เอาถามไปถามมาแล้วพ่อมันเนี่ยยังแม่มันกับกพอ่อเป็นเจ้าของโรงงานช็อกโกแลตขายเครื่องบินเล็กอยู่มึงนอกเขาก็ปัดถ อ, าาอตองคือมันอยู่ทันทีเลย <c oughs> ก็เลยบากเปิดมาอันเหมือนต้องไปไหนอะอยู่ด้วยกันนี่ <c oughs> ก็เลยได้อยู่กับพ่อาจานมาจนทุกวันนี้ <c oughs> แล้วเปิดก่อ บางู้ไปเพิ่ง อ, อกงใจยงนเพิ่งยากเหมือนครูบาสิวิจัยก็เลยฝึกนักฉันมือเดียวนอนในกดเกือบกรบาบุปทุกวันนี้เ็นเดือนแล้วเินอนนกนอนพืนต้นโพว์ะนะผีมาลอกหลอนไปนอนตัวในปายมาผีเดินรอบกดอนมามัยไปถามว่ายูมาโดนผีลอกกะแกก็ถามว่าผีเป็นตัวยังไง <laughs> ก็เราเคฟังว่าติเปเดินหลอกก้สูงกับก้นหล อ, อนะเนาะแกก็บอกว่าอ๋ออันนั้นไอหันกะแต่อหีหมูเป็นผีไอเลยอดบ ก, กัวผีไก่ปิกเลยผีเซ็งฝรั่งหล อ, อนจนให้แตกให้แตกเออส่งหล อ, อนเป็น น, อ น, น้อี่หนีกันทุกคนเลยนะยืมมาได้แกบอกอ๋ออันนั้นไอหันกูคืนนะแต่อมหมู ไอ้เลบเได้สนใจใอ้กันลับอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ถามมาแล้วทำไมถึงชอบนอนใ้ต้นโพชอบปากโกดใต้นโพเปิลเกอดว่าวเปิ่อ่านพุทธประวัติปากโว่าในพุทธประวัตินั้นเปิลหันว่าพระพุทธเจ้าตัสสรุปใจต้นโพเปินว่านอนใจต้นโพเดีวมันตัสสรุปมันของตัสสรุปสักวันนอนใจต้นโพจนบัตนี่นี่ ก็ น, นี้คือชีวิตของพระฝรังติมาอยู่เมืองไทยแล้วเดีอนี้บอกกกินข้าวเหนียวได้แล้วหลังจากตีกินมาได้เลยกินแฮมเบอร์เกอร์กินแซนด์วิชกินช็อกโกแลตตลอดแล้วแต่มาก็แกงเปื่อยมันต้องกินข้าวเพราะว่าข้าวอินทรีย์ตีห้ยจนตะ ว, วันเนี่ยดีที่สุดไหนไปเดลทอยแล้วในรางวัลชนะเลิศอันดับหเึ่งไไเพลทไทข้าวอินทรีย์นะจากสมเด็จพระเทพด้วย เขาก็เข้าเข้เปิ่นกินเปิ่นก็กินบ่ได้วันหนึ่งเขาก็สอนธรรมะเปิ่นอ้าวบ่กินเข้ากับฟังธรรมะแล้วกันวันนั้นจําได้สอนโลกกับทำแปรแล้แกกับบ่เข้าใจเขารามาโลกกับทำแปรไหนมันมีหนึ่งได้ลาบสองเสื่อมลาบก็ารามอายุหุ่นจักกัได้ลาบเสื่อมลาบแกก็ถามลาบภาษาคิดอะไรอย่างลาบเฟอร์แมนไอส์เออแกก็ขึ้นมาลาบมาขึ้นลาบงัวลาบควายติกินกระปุ๋ย เขาก็บู okay? ้ภาษาอักอย่างเาก็เาก็อู้ภาษาบาลีแล้วคือเป็นแฝยย่จำไนะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสเสริญนินทาสุขทุกข์เอาแปแกก็บอกได้ลาบนะแกก็แปยว่ายังลาบอะกณฑเออตอนแรกยุ่แปว่ายังฟบไหมเได้ลาบเออเขาก็คิดแครั้งแรกพลาจันเจ้าหื่อลาบหือเา ทำแฮมซ่ามันตอนมาคืนแล้วเขาก็คิดในใจไปได้งไงพระอาฉารย์มันตอนมาคืนแล่ะมันเลยเพนแล้วเขาคือแปลเป็นภาษาอังกฤษแกแปลว่าเป็นลาบจิน้นได้ลาบเสียลบลาบเขาแกเาก็บอกว่าแกก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดกินลาบจิ้นขวายกันขเขาบอกเฮ้ยหมดใจแล้วคนละอันแล้วได้ลาบเสียมลาบได้ยดเสียมยด ก็มาอยู่ใหม่ๆก็มวนนะแต่เมืกอสอนเปินก็ซับส้อนทำงานยังบ่อกินเข้าบ่ได้จนกระทั่งปรเดียวนี้กินได้แล้วฟื้นเอาจําได้เมีวันหนึ่งโยมมาตานก็เข้าแล้วเปินอ่านบ่ได้อ่านภาษาไทยนี่คือบ่ได้เลยได้แต่ภาษาอังกฤษพอมาอยู่กับเขาวันหนึ่งเขาละเฮือตานก็เข้าเขาเขาน่ะพระจารย์น่ะเป็นคนปั่นป้อนโยมก็ อุ้มตุกาลกแทนเพชรทหัวนึ่ง <c oughs> <c oughs> ให้น้ำตา ย, ยาไอปิกซตานก็เข้าตานก็เข้าไปจะตานให้คนตานให้หมาแล้วพระอาจารย์ก็เลี้ยงหมาหลายตัวเปิดกรหันว่าถ้าตานึ้งหมาแก่ก็หมาเขาก็ได้กินกเอามาตานเ ป, ป็นอาหารหมากองใหญ่แล้วหรูขนาเขาก็ปัป่นปอนเสร็จเขาก็บอกคาเรนเอาขึ้นไปดังบนเน บึ้ดใครว่ากัน <laughs> เปิดอ่านภาษาไทยผมได้เปิดบอกว่าอันั่นเปิดห้องเพชรดีกรี <laughs> แล้วมันเป็นเมด็ดๆอ่ะมันเหมือนอาหารฝรั่งนะไพยุเมืองฝรั่งตื่นเจ้ามาขอบอร์จินเข้าเขาเตะอันนั่นเปิดห้องอย่างติเอาใส่นมอ่ะเรีอุส <Ser ious. S 1> เออเซรีอุเตะเสร็จถ้วยแล้วก็เตะนมใส่จอนคุน้นๆตักใส่าปาก <laughs> <laughs> <laughs> อันนั้นมาผ่านป้อนเสร็จก็โตยขึ้นไป แกกำลังเตซสีเดียวแวน้มเระหฮดทัชปากเขาบอกว่ายุค ก, กินยังแกบอกว่าไอ้มาอยู่เมืองไทยได้ปีเลยได้กินจะอี้เลยวันนี้ขอดูหยากเนอะทัชเชปากได้สองคำเป็นเบ็ดดีกินแ้มดจอนนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนาะเนี่ยวกว่าจะสอนเบอร์กกินเข้าได้ก็บเบเจง่ายนะม่วนชีวิตภาพฝรั่งเป็นชีวิตเต็มม่วน เดี๋ยวนี้อาตมาก็เพื่อนเป็นครูช่วยเตะช่วยสอนแล้วก็เป็นการทาได้ดีฉะนั้นวันนี้ในมนเปิ่นมาเนี่ยเพื่อจะหื่อมหาหันเพราะว่าเพื่นเห็นจบละจบมโหแล้วโรงเรียนนานาชาติเพื่นกำลังเล็งอยู่ว่าจะเห็นต่อที่ไหนวันนี้ก็เลยเจอเพื่นมาพอมหาลัยใหม่จู่อาตมาก็บอกเปื่นว่าอาตมาก็จบปริญญาเอกตินี่น่ะเดี๋ยวนี้นะ ด้าท่านอันธิการเปินถวายเป็นเยาเศรษฐศาสตร์ดุสเดีบันดิตกันนะ <c oughs> เลยเจินเปิดมาเพื่อเปิจะได้สักใบหนึ่งตะกี้นั่งรถมาเปิดปลาเปิปาโท่นอนาจับมาตอนเจ้ากับเข้าบนักเบนักเงาเพราะเปิดฉันมือเดียวน้ำตาน่อยมันน้ำลายห่อยมาชุดตังรถกรติดนะตะกี้กับเขากันหลายขนาด เขาบอว่าสมน้ําหน้ากินข้าวมือเดียวน้ํำตาน้ำลายอย่ไอ้ชั่วหันอย่งก็ขยากพุทธเปิดก็อยากจะมาพอแบบหาไรยเองมีออย่างวันนี้ก็เลยเชิญเปิดมาแล้วเมื่อเชิญเปิดมาแล้วเนี่ยอาจมาก็เกิดว่าต้องมีประโยชน์มากกว่านั้นเนาะเื่อนได้เตะได้สอนเลยเนาะตะกี้นี่คือเพื่อนแนะน้าตัวนะเบาไหวก็เตดไหวก็อันนี้พู่มหลังเ้างหู้ละ ต่อไปตมาจะเจอเป็นเตะรวมกับอันตมานะตอนนี้มดนตมาก็ได้บอกว่าเจอขึ้เตะหลังขึ้น่ปเอาจังไม่ทินเก่าเปิดคราวนี้เปิดได้มาแมเตือนหนึ่งหลังจากตะทิ้งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเปิกรบะมาแฮมเดียวเปินหู้ละนะคูบาสีวิจัยเป็นไผสมัยก่อนในสิ่งรถผ่านหอคู่บาสสีวิจัยผ่านหัวปันใด้เปิดหู้จักพอเปิดหู้จักปุ๊บเดี๋ยวนี้เปิดยากเป็นคู่บาละ ฝึกเข็มอยากเป็นคู่บ้าสวดปรารมีสามสิบตัดก็จ้างหมดละปั่นปอนเมืองก็จ้างแล้วฉะนั้นวันนี้เมื่อเปินมาแ อ, อรพอมาหาวิทยาลัยแล้วอาตมาบาจําเป็นเดี๋ยวเปิดจะไปบอกปอเปิลซื้ อ, อ, อรถผลยาหืมหาไหลซื้อเฮบินสักล้ำ <c> ซ <oughs> ื้อเฮบินมาไวผ้นนผลนนท์ผลนี้เนาะจะดีนะก็เดี๋ยวจะนิมนต์เปินเต้น สักเรื่องหนึ่งนะฮือหอมปลาหอมขอฮือหยาดย้อมได้ฮุ่จักไว้เปิง อ, อกเปิงใจกันใน ม, มนเปิดมาบรรยายได้นะเต๋ออตาตมาติดการติดงานเปิ่นก็ออกรายการวุดดีเกินมาคุยกับอาตมาสามรอบแล้วต้องเบรกไว้บางเฮอดังเร็วเกินไป <c oughs> อืเพราะว่าอตาตมาจะลําบากเอาละเดี๋ยวเขาจะเตะสองภาษานะ ประเตศสองภาษาพอมก็เตรียมเข้าสู่ AEC นะบทเตรียมบัได้นะทุเจ้าเตรียมเรียบร้อยแล้วนึกถึงตอนที่แกมาอยู่ให้ใหม่ๆให้เดือนตะวันทุเจ้าองค์อื่นก็อู่ภาษาอังกฤษได้ตมา ก, ก็บ่าว่างคนมาหาวันคำวันคำวันนี้แกมาถึงปุ๊บตมาเลี้ยงหมาไว้สองตัวเป็นหมาฝรั่ง g ก l เด n นรีทรีฟกับไซเบีย ก้แกหันมาปุ๊บแก่ยิ้มลเลยเขาทำามาอยู่ยิ้มอย่างแกบอกว่ามีเปลือนอูภาษากิละมหมาพลังชีวิตแกมันขำเยอะนะเ <Black> ดี๋ยววันนี้เขาอูเรื่องนี่เนาะการเป็นคนตีมีความสุขนอกจากจะดูแลเรื่องสุขภาพเหมือนเตียวตะมาเขียนไว้ด้างบนบงนี่ความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ เริ่มจกเข้ามาแล็วเดียวคือเขาต้องกินอาหารสุขภาพถ้าถ้าเขากินเข้าทุกวันแล้วเข้านั้นปนเพือ่อนสารพิษท่านทั้งหลายหวัวในระยะยาวมันจะเป็นอย่างไดรตะวันเนี่ยทำไมเพิ่งถแถลงข่าวติดจังหวัดกระเพื่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีการซุ่มสำรวจประชาชนเก้าปันเก้ารอยกว่าคนในจังหวัดจังหวัทุกอำเภอ ผลการวิจัยออกมาแล้วว่า 50% มีสารปนเปื้อนในร่างกายนี่นะเก้าร้อยกว่าคนตีเฮ้ว่าประมาณเกึนหนึ่งเกึนหนึ่งของ900ารต่อไหนต่อไหนสามร้อยต่อไหนสี่ร้อยห้าสิบคนอะ มีสารเคมีปนเปื้อนในร่างกายตั้งหลายในหนึ่งเดือนมีการซื้อยาเอาไปพ่นใส่ในห้ยในน้ในต้นในสาในน้าในหนองในผลากไม้มากกว่าหนึ่งล้านกระป๋องนักสุดในประเทศไทยผู้ว่าอาหารบาบาได้ละแต่ว่าและประกาศวระจังหวัดแถลงข่าวจึงหายเป็นเมืองสีเขียว จ้าไปก่นเนี่ยจะไหลาตายพอไหลาตายเขาก็ะบ่าผีใหม่ไมมาเอาผีใหม่ไม้มันจะมาเอาเงี้ยมันก็เอาถึงหมือนยิงเอาถึงปัจจไปมดัดไหลาตายไปมดตายกันเบอเบอรยังกระเบไม่ร่วงแล้วก็เปนหน้าบดผีใหม่ไม้ตมาเกิดมาตรมาก็บอเกยหันผีใหม่ไมมันเปลี่ยนใจได้หน้าตาจใจได้ถามตอนคะเลนว่าเมืองสวิสมีผีใหม่ไม้ก็แกว่าบางมี พิมายไม่เนี่มันมีอยู่เกิดแต่ในความเข้าใจผิดในชีวิตจริงคือสารเคมีนี่มันนักบ้านเฮาเมืองเฮานะ่ยมันใจ๊ยสารนักเนี่ยอย่างก็ใส้สารมดไหมก็เฮากินเข้าทุกวันนะฮู้ ก, กับวันทีเฮากินนะ่ยมันเป็นเข้าเป็นอาหารหรือว่าเป็นยาตนนั้งหลายมีไผ่ฮู้พ้องคนสมัยก่อนเป็นเบาว่ากินอาหารเป็นยาแต่มาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนกันปิ๊กมะ กินยาเป็นอาหารม่้ก็คนสมัยก่อนเป็นอู้ถึงประเทศไทยว่าในน้ำมีป่าในน้ำมีเข้ามาเดียวนี่ในน้ำมียาในน้ำมีพิษแต่ก็สมัยก่อนอาตมาไนมาเนี่ยไปต้งนี่นะใครกินน้ำเนี่ยบะเกยพกน้ำขวดนะน้ำขวดบะมีตู้เย็นนี่มีความจาเป็นเลยในหมู่บ้านอาจจะมีตู้เย็นสองตี ตีดูลุงเหตตีหนึ่งตีเย็นการเฮตีหนึ่งไม่เลี่ยงติเปิดขายขวในการนะมีตู้เย็นเกับติวัดมีหลวงปู่เจ้าวาดน้องนั้นมดบานมดจ้องกินน้าบ่ก็บาายยังหันแผลอยุสรณ์ปัญจายไม่ก็เดี๋ยวนี้ไอ็กัดแย้มีตู้เย็นทุกหลังหอหลังเนะงินบบมีไผกินน้บาบังแล้วไม่เผกินน้าบ่แล้วกินน้ําขวด ไปตักน้ำสมัยก่อนอาตมาในเฉียวชานการตักน้ำจากบ่อหนะเลอโรงเรียนตักน้าบ่ยกบ่อน้ำยกยกถังน้ำใส่บามือบประาเลยอย่างปบ้านกึงกิโลเฉียวชานขนาดนี้กึศพอเราลอรนปรเด็นนี้ทามาตักน้าจ้างโกเนี่เขาว่าจะได้คือตักน้ำหูจ้าน้ำบ่อก็หูจักบางหูเรื่องละใหญ่มาเข้าโรงเรียนอินเตอร์อย่างเดียววันนั้นไปหาอาตมา เข้าโรงเรียนอินเตอร์บหมหูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือคุณพ่อคุณแม่เลยครูหื่อทำการบ้านหื่อไปถวายสังฆทานรลอนรุ่นบหูจักน้ำบอมหูจักอย่างเช่นอย่างอนามาบอกเอ้าถวายสังฆทานกับตั้งน้ำโมพร้อมกันมันถามว่าจะให้เอาตั้งไว้ไหนคือคนรุ่นนี้นะหูแล้วของดีอยู่ไหนอ่ะฉะนั้น ในเวลาเนี้ยสุภาษิตเก่าๆหลายยังใช้มาได้ในน้ามีป่าในนาำมีเข้ากลายเป็นในน้ํามียาในน้ำมีเป็ดเน่นาได้กินก็เข้าเนาะคนสมัยก่อนเน่าได้กินอย่างในน้ำมีป่ามีกุ้งมีกบมีเขียดมีหอยมีปูมีพักมีอีหัวกบไม่ก่ เนี่ยนะหนึ่งยังเนี่ยได้กินเป็นสาวยังแล้วมันมวนจักแตนก็ได้ได้กินนะจักแตนมาเดี๋ยวมาได้กินเนอะสมัยกอนมาเป็นละออนเนี่ยจักแตนมาตอมเข้านี่นนะมาตุ้บเข้านี่นนะตีเข้าไปเกี่ยวเข้าไปนี่ก็ได้กินจักแตนตอนเย็นแล้วเอามาคั่วมาถอดล้ำใบล้ำงเงาเดียดนี่ม่ได้กินอย่างสักอย่างในน้ำใสหวังบาเอามือเข้าจุม่มเลยลึกขึ้นมาเนี่ยบาข้มาแรงมาท้าอาน้ำมาเม่นมามนขันกกมือขวางา้ เขาตีนแยลงไปกับคันขยเยอะเลยนะกุ้งหอยปูปาก็มาน้กินแล้ว <c oughs> เนี่ยันก็ว่าเอบ้านา ง, งเฮามันเปลี่ยนอย่างนีได้ยังไง <c oughs> ทำไมเขาถึงทำทำไรธรรมชาติอยู่กับดินบ่เคารพดินอยู่กับ น, บบน้าบ่เคารพน้าอยู่กับปา บ, บป่เคารพปาอยู่กับเขาบ่เคารพเขา อยู่กับสิ่งใดบ่เคารพสิ่งนั้นสุดท้ายธรรมชาติก็ย้อนมาเล่นงานคนติบบ่เคารพธรรมชาติ <c oughs> อยู่กับดินปักกันผลยาเสนาดินสามปีดินตายเลยเอาอย่างไปปลุกบ่ขึ้น <c oughs> ผลคือต้องซื้อปุ๋ยแปง้งอันก็นเนี่ยนะเนี่ยให้เนี่ยส่วนมีไปเป็นเศรษฐีอัตมารถรามท่นานคารินว่าพ่ อ, อยุ่เนี่ยการปีหนึ่งกี่เต้ อ, อแกบอกเนี่ยสองเตอา นี่ตอนเริ่มต้นกับเนี่ยตอนไปซื้ปุย๋ยนอกนั่นขายนำเงินเอลทั่วโลกตลอดปีปุ่นถึงรูดูเก็บเยอมาเี่ยเหี่มเทื่อนหนึ่งบานเฮาแปเดือนเกเดือนอยู่ขังถ่งขังนะหมดแรงหมดปีขายเข้าขายพักขายไม่ได้แต่ห้าหกหมื่นหหกหมืนได้จ้จริงกี่บาทหหกพันอะไปใชนี่เหีมม้มดเมงอได้มาสี่ห้าหมื่น นึ่งมัจะได้เจเงินใจทองเอาไปซ่ธนาคารมตันได้เจ๊เตตลูกมาแอาหานะองมาปามาตันเข้าใหม่ตันกขาใหม่ อ, มหม อ, องปอยสลา อ, สองตอได้เจแต่แอขแกเื่นบ้านมันับถ่ายหมไม่ก็มีงานแต่งแหมอยู่ดีว่าดีเป็นสมาชิกอบตแหมใส่หรยกได นี่คือภาษีสังคมสิ่งแวดล้อมกับบดีอาหารการกินกัน บ, บดีภาษีสังคมกันนักกลายเป็นว่าเฮาอยู่ในต้องให้ต้องนาะช่วยนะ้าตาปีแต่บ่มีเงินบ่มีท้องแต่ฝรั่งนั้นทนะําน้าน้อยเดียวทําเกษตรกรรมบักกี่เดือนบักกี่วันแต่เก็บเกี่ยวเต็มที่และรวยประลาดมากในะบรรเทานานะ่ยอยู่ในต้องให้ต้องนาะใจเวลานัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกแต่ได้เงินน้อยที่สุดในโลกแต่อันยิง่งป๋อกระบวนการผลิตของเขานั้นยังทำไร่สิ่งแวดล้อมทำไร่นักสุดคือทำไร่ตัวเก่านี่ฉะนั้นตมาจึงอยากจะบอกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มจากเข้ามาเล้กเดียวเขาต้องเป็นนายกก็ได้ถึงจะรับผิดชอบต่อสังคมเปลี่ยนนักการเมืองก็ได้ถึงจะรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเจ้าให้เจ้านะเจ้าสวนธรรมดาเนี่ยก็คืนกําไรให้สังคมได้แต่ท่านปลูกลําไยลําไยของท่านปลอดสารพิษคนเสื่อไปกิ่นขอปลอดภัยก็ขอปลอดภัยอันั้นอ่ะรับผิดชอบต่อสังคมแล้วท่านปลูกสตรอเบอรี่ท่านสตรอเบอรี่ของท่านปลอดสารพิษคนเสื้อไปกิ่นขอปลอดภัยก็ปลอดภัยอันนนอ่ะรับผิดชอบต่อสังคมแต่ถ้าท่านใส่สารเคมีปลูกสตรอเบอรี่งามคณะนะแกนต์ดกฮวาเมตินนี่นะ แต่ว้าไปงานขอเมือเหือดมาท่านคาเลสเอามาบอกนี่เขาว่าสโตเบอรีนะ่น่ะสตอเบอรี่ให้แกนตะหัวเมื่อมืออนี่แกนตะหัวเม่ตจีนนี่แต่ว้าบอกฟังกินเถอฟังกินเถอะพอกัอนว่ามันปอดสารพิษก็ถ้าท่านใส่สารเคมีนักเอามาตานเหือตัวเจ้าท่านคิดว่าท่านจะได้บุญก็เกิดหือดีนะตัวเจ้าเปื่อยอยู่ของเปื่อดีดีนะเออกระแตกข้าอสตเบอรี่มาตานก็เข้า สคนเดียวรต้องเนี่ยพระนักเตะตายเสียดายก็เนี่ยฉะนั้นได้านเนี่ยย่งก็ตามเน้าถ้ามันบบปลอดภัยท่านกับหลังทำลายสังคมแล้วท่านเนี่ยนะท่านกับใสสารเคมีลงไปน้าดินกระตายน้ากระเสียเข้ากระเสียสิ่งมีชีวิตระบบนิเวศห่วงโซอาหารตายเกี้ยง ท่านใบได้ทำไร่แค่แค่ปูติมากัดเข้าแต่ท่านทําไร่ทุกสิ่งทุกอย่างติมันเป็นระบบฮวงโซอาหารเป็นระบบนิเวศทำไร่ที่สุดคือทำไร่ความปลอดภัยของตัวเก่าท่านกับหลังประทุษร้ายความมั่นคงในชีวิตของท่านเองแต่ล้ท่านทําเกษตรอินทรีย์ ทาเอาไปตานก็เข้าเอาเข้าวใหม่ไปตานตุเจ้ากินตุลุงก็ได้กินเข้าอดีตปลอดภัยตุลุงกินแล้วมันเหลือลูกซิทเอาไปกิน่นลูกซิทก็ได้กินเข้าอดีตปลอดภัย <c oughs> ลูกซิทกินเหลือเอาเข้าไปเกือหมาหมาก็ได้กินเข้าอดีตปลอดภัยกุ้มเผาหมาพมดนะเห็นร่ <c oughs> ส่งเอาไปขายในห้างทุกคนได้กินอาหารปลอดภัยหมดส่งออไปขายต่างประเทศฝรั่งได้กินปลอดภัย <c oughs> ได้จือเสียงไหม ก, ก็เป็นจือเสียงตีปลอดภัยเป็นจือเสียงอินรีฉะนั้นถ้าท่านทำอินรีหนึ่งอย่างทุกอย่างรอ บ, รอบตัวในปลอดภัยหมดเลยแต่รา้าท่นใสสารเคมีไปหนึ่งอย่างกระบวนการทั้งมดเป็นเป็นมดมันจะลงดินมันจะลงน้ามันจะไปในอากาศมันจะผสมอยู่ในอาหารการกิน ฉะนั้นธรรมะถึงบอกว่าเขาจะช่วยเหลือสังคมนี่มันง่ายมากนะทําให้ทาสวนนี่ง่ายมากฮันก็แค่ทําเหมันปอดสารพิษแค่เนี้นี่ยคือช่วยสังคมละ <c oughs> ที่นี้เมื่อเขาจะช่วยสังคมมันต้องมีหลายอย่างไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยทําเกษตรอินทรีย์อย่างเดียวสังคมจะดีได้มันต้องมีธรรมะ <c oughs> สังคมไดนถึงว่านี่เป็นสังคมที่อู้ ง, ง่ายๆนะ คนเขานี่มันน่าดานนาทนนะัก่อนมีลูกเสือมากราบ <c oughs> มากราบอัตมาลูกผักเต้มาถ้าเมื่ออย่างลูกขายยังครับผมยังอย่างพ่องปลายางรถยังผ้งาลายังแผ่นยังแปรลูกผมขายหมดเลยอัตามากก็ทำอ่ะลูกมียังไายขายกู <c oughs> <c oughs> มันบอกว่าบบมีเขาปึ๊งี่เี้คนไทยถึงวะเนี่ย <c oughs> เป็นสังคมในเบอร์ขยันมิยังอายเหินห่างธรรมะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนอกจากจะรับผิดชอบผ่านเกษตรกรรมธรรมชาติเีเขาทำแล้วแห่อยังหนึ่งคือคนไทยต้องมีธรมธรมะธรรมะอย่างพ่ อ, อต้องอมีอย่างนัก <c oughs> นะตีให้จนตะวันเนี่ยตมามสอนอี่ยัง <c oughs> หนึ่งพุทธธรรมสองพุทธเกษตรสพุทธวัฒนธรรม สี่พุทธเศรษฐศาสตร์พุทธธรรมก็คือเฮียนธรรมะพุทธเกษตรก็เกษตรอินทรีย์พุทธเศรษฐศาสตร์ก็คือเลสีพุทธวัฒนธรรมก็คือดนตรีกวีศิลปะในส่วนของธรรมะเนี่ยเาต้องเียน เพราะว่ามันขาดธรรมะตัวเดียวคนเอาธรามันมีธรรมะแล้วมันบาดธรรมไร้ไผแล้วตอนทั้งหลายแต่ถ้าขาดธรรมะแล้วเนี่ยนะมันทำไร้ได้มดทําไร้แม่กระทังประเทศชาติบ้านเมืองก็ได้ฉะนั้นธรรมะข้อนึงเนี่ยเอาขาดบปได้คือการเนี่ยอย่างก็ตามคิดถึงอกเขาอกเขาคิดถึงคนอืน่นวันนี้ท่านคาลเลนก็นเลยจะมอบธรรมะเฮือข้อนึงนะอดาดมาปู่เพื่อนเฮือเปะละ่าเดี๋ยวผมจะมอบธรรมะให้เขาข้อนึง เอาภาษาไทยส่วนภาษาอังกฤษเนาะตามธ น, นัททังเพื่อนนะอ่ะในมลเนาะมันมีผู้หญิงตีเลยขนาดคนนายตีเลย a really rich woman คนนายนั้น่ะคิจิ really stingy กับเป็นคนเข้ม เค็มขนาด salty person เวลาอยากับข้าวนี่นะแกบ่มีน้ำปลาแกบ่มีเกลือนะแกต้องแค่เอาเนิ้วนี่เอาไปจี้ลงแกงนี่แกงเค็มไปหมดเลยพอดีคนไหนนั้นอะแกมีโรงงานช็อกโกแลต กับแกมีลูกน้อง9้คนเป็นลูกน้องชาวดอย Nine Hill Tribe Workers ชาวดอยนี่ได้เซ็นสัญญาทุกเดือนที่เขายักการนี่จะได้เงินเดือน 9,500 ได้ Salary of 9,500 บาทอดีชาวดอยนี่ยักการมา5ปีแล้วทุกเดือนที่เขาได้มาแค่ 3,500 Only $3,500. e thousand five h u n r s u d i g o o n g w t I, t h o u g e work for such a long time. g ็ t to go to the person. Got to ask the It was written. We get 9 i n e a i e ก็ทุกเดือนนี่ได้แค่ 3,500 แกก็บอกว่าเราใครได้ 9,500 ทุกเดือนคุณนายก็ลุกขึ้นมาเลย She stand up and pointed at the hill tribe workers จี่ลงเสาดอยเก้าคนบอกว่าพวกมึงนี่อยู่บ้านของใคร What food you guys eating? Who's e t o i o d l e t you are using? u a n w y a s t e a h t i e e n g ของน toilet you are using? Who's y a Who's e t y o i t l e t you are using? h i you are using? Who's t o i ก e t you a a n d w t t a t o h t e e r y a y รวมทั้งมดเป็น 9,500 เห็นไหมคนนายน่าเข้มขนาดไหนพอดีก็ชาวดอยกับหูชะว่ายังเทียงบ่ได้ they couldn't argue with the rich woman ตอนที่ชาวดอยก็จะเดินนี้คนนายก็บอกว่าเออและกัน when you want more money คนนายจะเพิ่มฮึออีกพันบาทก็พวกชาวร้อยวดดีใจสักน้อยเพราะเขาหูมันรวมไปแล้วพอดีมันจะมีดย์สโวนเฮลทรายว์เทุกวันอ่ะเวลาคนนายนั้น่ะไปกินข้าวข้างนอกโอ g ก o s ์ for holiday ไปเที่ยวต่างประเทศ Mop the floor and mop her her room and clean her room. เวลามันจะมีคราบดำดำมาอยู่ตรงพื้นคุณนายนั้นก็จะเจ็ดแรงๆจะบอกแจ้งว่าคุณนายตายแน่คุณนายตายแน่พอดีในห้องนั้นอ่ะ there is a เฮโรต์ตอนนั้นน่ะตูกก้กอยังแปลนกแก้วไปจ้างเตี้ยกับแปลขึ้นผ้าอาจารย์ฟังเป็น glass bird <c oughs> <c oughs> นกกับแก้ว <c oughs> ตอนว่าอาจารย์สอนแก้ใหม่ๆเรื่องนี้นะอาจารย์รวพายู่แปลที่ละคำนะคุณนายมีนกแก้วอยู่ตัวหนึ่งแ ก, กกัแปลไป glass bird จะได้นกอย่างจะได้ bird กับนก กลาสกแก้วนกแก้วตกใจเอากระปาต้อยูแปรจีนี่มันยุ่งะเบ้ลองแปนพริกนมหัอฟังเรแกแปรแบบยังวอเตอร์ชิลียังวอเตอร์กันําชิลีกพริก่ยเป็นธรรมดานะเราจะได้ต่อคนนายน่าจะได้ต่อพรีมันจะมีนกแก้วเดยสวันพรตีคนนายนเลี้ยงไว้ พอดีเวลาชาวดอยเ <c oughs> จ็ดพื้น when she mops the floor แกก็จะเจ็ดแรงแรงแจ้งว่า and cursing the noble woman คุณนายตายแนะ่คุณนายตายแนะ่นกแก้วตัวนั้นก็จะตามว่าคุณนายตายแนะ่โอ้โหตอนนี้ก็ชาวดอยก็ดีใจโอ้ what did you just say พูดอะไรมานี่ยังมันนกชลาชังวะ <c oughs> ก็เดินไปหานกแก้ว ก็บอกว่าคุณนายตายแน่แกนกตัว น, นั้นก็บคุณนายตายแน่ตลอดเวลาถึงนกตัวนั้นอะ่ะมันได้เก่งแล้วทุกวันนี้มันก็จะบอกว่าคุณนายตายแน่พอดีวันนึงอะ่ะคุณนายปิ๊กมาจากประเทศจีนแกไปซื้อชาโอเลี้ยงแกก็จะจิบชาในห้องนั่นดูทีวีด้วยอ่านแอร์ดูข่าวด้วย watching the news พอดีนกแก้วตัวนั้น่ะมันก็อยากลอ ง, ลองเสียง he wanna try his voice นกแก้วตัวนั้นก็บอกว่าคุณนายตายแน่คุณนก็ช็อก w h who just said this to me ใครพูดนกตัวน ok oh ok, ั ang, ài, ้น <c> ก <oughs> <c oughs> oh, ok ็ยกแจมๆอีกครั้งหนึ่งคุณนาตายแน่คุณนก็ช็อกโโหนกตัวนี้พากมาจริงๆอ่ะ มนแจ้งฉัน <laughs> จะตายแกก็คิดในใจบ า, บาปเป็นกรรมแกก็เข้าวัดจะไปทำบุญก็ซื้อสังฆทานจะถวายให้เจ้าวาดพอดีตอนติ่ถึงวัด when she reached the temple เจ้าวาดก็กำลังเทศอยู่กำลังเทศก็เจ้าวาดก็จะมีนกแก้วเหมือนกันพอดีเวลาเจ้าวาดเทศเซต โยมก็จะบอกว่าอะไรสาธุนกแก้วตัวนั้นก็จะบอกว่าสาธุ ท, <laughs> ทุกคำเลยอ่ะทุกคำตีตีเจ้าวาดเทศเซธโยมก็จะสาธุนกตัวนั้นก็จะตามเหมือนกันคนไหนก็ดีใจขนาด <c oughs> ก็เดินไปหาเจ้าวาดนั่น went to the a b b o t ก็ถามว่า โอ้ oh, นกของ้าวาดนี่ยังมาปากหวานจริงๆอ่ะอยากได้นกตัวนี้ I want this parrot at my home so he can teach my other parrot อานกแก้วตัวนี้ปิกไปบ้านปิกไปบ้านเอาเอานกแก้วที่บ้านเอาไปสอนเพราะนกแก้วตัวนั้นมันปากมาจริงๆ้าวาดก็บอกว่าวันนี้พาะตูลุงนี่ เลี้ยงนกแก้วนี่ตั้งแต่น้อยมากับพอดีโยมกับศรัทธาบุตจเข้าวัด nobody comes into the temple ทีเขาเข้าเพราะนกแก้วตัวนี้มันม่วนดี <c oughs> พอดีก็คุณนายก่อยขออยู่ฮนะเจ้าวาดก็บอกคุณนายก็บอกว่าเจ้าวาดจำได้ก่อ ปีที่แล้วใครถอดกระถินยูวัตของตุลุงนี่ล้านหนึ่งนะ <laughs> one million บาทนะเกิดพอว่าเก็มบเก็มเกิดพอใครได้นกตุลุงตุลุงบอกฮื่ยฮื้นอฮึ่ยหน อ, อ, หนอคนนั้ก็เลยเตือนความจำแบาปีแ้วไปต้านกระถินได้หยอดตั้งล้านหนึ่งแล้วตุลุงก็ เอออันคุณนายเอาไปเถอะเอาไปเถอะเอาไปกี่วันก็ได้คุณนายก็เลยได้นกตัวลวงมะมากรองได้ไปแล้วเนี่ยดีใจเนาะคุณนายดีใจแต่ติวนกไปเอาไปถึงบ้านแขวนไว้ใกล้นกตัวเกาเอาไปแขวนไว้นี่ไอ้แก้วไอ้ชาติมามึงมันนกปากบบนี เฮอเขาเฮนะ้น่ามึงกินดัก ว, วัดมึงด่ากูจากนี่ไปเฮ้มึงฟังนกตุลุงนะนกตุลุงนี่เป็นนกมีธรรมะธรรมโมนกมีการศึกษาจบมหาวิทยาลัยม่โจ <c oughs> <c oughs> สาขาสัตวศาสตร์นกบทสอนมายัางดีสาตุทุกคกำเลยเอาเอาแขวนมาเถอกันจากนี่มึงฟังนกตุลุงอย่างเดียว ลืมคำมาเก่าี่เขาสอนมึงเหนกตุลุงว่าอย่างไรมึงก็ฮ้ว่าตามเ้อสั่งสอนเซ็ตกับแขวนแขวนเส็ตกะล้งใจหยอบนั่งจิบโอเลียงนกคุณนายนกเก่าก็อูขึ้นมากัม้มนงคุณนายตายแน่นกตุลุงก็สวนเลยชาต <laughs> <laughs> <laughs> ตกใจขนาดโบสัง่งโคยมัดตันดูดโอเลี่ยงเตือ <laughs> บีานชมามั้งสักขี้มึงว่ายัางก็นกคนไหนคนไหนตายแน่นกตูลุงก็เลยสาตุหนึ่งนาทีต่อมาทั้งนกคนไหนทั้งนกตูลุงกริงตกเหือนไปเลยเมึงเนียกงแล้วเอหลดคนไหนตีนย่ำเล ย, น, ยนี่อันนี้ก็เป็นคต้นตื่นหนึง่งสอนใอย่างดีขั้นเล่นเนี่ย สเรื่องอยง treat others as you want to be treated เรื่องนี้มีคติธรรมว่าเกิดเป็นคนเนี่ยจะไปเก็มเป็นคนใจบุญสุนทานคุณนายเนี่เอนเอาเปียอหลูกนองห้าปลูกนองมาเก้าปันห้ า, ห, า, า, ห, าห้าปีได้เงินเดือนสามันห้าเหมือนกันมด ข้าวเตี๋ยวฮือกินนั่นกับมันจะข้าวอินรีนะข้าวปนสารพิษอาหารทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอาหารที่แบบมีคุณภาพพักไม่ใส่เครือก็เป็นอาหารใส่สารมัดเราเอาอย่างอั้นอ่ะเป็ตาตู้ลุงตุลุงก็เป็นมะฮอยมาน้อยลงมาถึงวันถึงวันเป็นเปิ ด, เ ป, ดเป็นเหลือง เ, เอาเข้าวใส่สารไปื้อเปิลฟักแฟงแตงกว่าเตี๋ปื้อเปิลกับปนสารพิษมด นี่เรื่องแต่นะแต่ทั้งหลายมีคั้งหนึ่งหนึ่งธรรมาไปต่างจังหวัดเขาใน ม, มนฑ์ไปเอลแปลงสตอ ร, อ, ร, รกกเอเบอรี่เขาเขาบอกพระอาจารย์ขยักกะเก็บเอาเตอะนะเขาก็เก็บเอากาเก็บไปเก็บมาเขาก็ราคาจะกินนะครับมันงามล้างามเหลือเจ้าของล่นมาเลยพระอาจารย์อันนี้จะไปกินโอมันเป็นอย่างถ้าจะกินไปแหมแปลงหนึ่ง <laughs> อะอะอันนี้เหรออันนี้เอาไปขายเจ้าวอ้มันจางกันอย่างไง ถ้าขายมันใส่ยาหน่อยหนึน่งเนาะแล้วถ้ากินแล้วกินตั้งหลังปื่อนมาได้ใส่อย่างสักอย่างข้าเจ้าก็กินแป้งพืนเนาะนี่เจอมารับตั๋วแล้วหนาตอนนั่งไล่ฉะนั้นเขาเกิดเป็นคนเนี่เขาจะไปเจอใจอําอย่างนี้อ้หยังที่เขาจะฮึ้ยคนอื่นเนี่ยต้องเป็นของติดดีที่สุดคุณนายเขาเนี่ยเป็นเก็บตั๋วเก่าก็เก็บ เ, เน่ไปเก็กบใส่คนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเก็บไป้ให้ตัววมัด คนหันแก่ตัวตัวเก่าเนี่ยเอาจเจ้าแต่ของดีๆของบัตดีจะให้คนอื่นคุณนายเอาเก็บเงินเก็บทองเข้าตัวมดคนอื่นนั่นใจให้งานเปิดเต็มที่นี่ยมือเปิดได้อยู่ได้กินดีนี่คือคนเห็นแก่ตัวแต่ทั้งหลายเขาเกินไหมเป็นคนนี่เขาไข้ฮือคนเป็นฮักเนี่ยมันบัยญากนะเขาพอหลวงประคุณหลวงประคุณนี่เป็นผ้าบ้านๆธรรมดาแต่มีคนฮักทั้งประเทศทําไมแต่ทั้งหลาย เป็นภาพบรรอุกเลยนะอู้กับบาเมลเป็นพระเกจิแต่มีคนภาคทั้งประเทศเพราะว่าหลวงประคูณเปินทําตรงกันข้ามกับคนไหนคนตะกี้คนไหนในเกมหลวงประคุณเนี่ยเฮ้ยติกติก๊ฟังจืดเหมือนกะหลวงประคูณอะ่ะคือเพิ่มเรื่อยๆอเพิ่มประโยชน์ถึงคนอื่นตลอดเวลามูอเฮาเนี่ยทำตัวเป็นหลวงประหารอาหารออกติกติกห <laughs> ลวงประลบลบติกติกอ่บวกอย่างเฮือไปเลยอะ บะคูณเนี่ยหายมีกล่องดีหารถ อ, อยลงทอยลงทอนคุณค่าของซีงที้ดีหายไปหมดเลยแลงปบะคูเนี่ยคุณหักเพระาะว่าตลอดชีวิตบริจาคมากกว่าห้าพันล้านบาทตัดทั้งหลายมือเงาเยได้เหรอบัตรต้องห้าพันล้านบาทหรอกห้าร้ยเนี่ยติดกันเตะแทนคาเล่นเลยขึ้นแล้วขึ้นแหมเลยวิก๊ และตอนตียิ่งใหญ่สุดของหลวงพระคูุคือกราบถายประกาศบริจาคอาไว้ว่าชีวิตทั้งหมดอ่ะศากสังขารทั้งหมดเือเป็นอาจารย์ใหญ่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นตอนทั้งหลายเนี่ยคือเคล็ดลับของการตีรหลวงพระคูณเป็นตีฮักเพราะเปินบาหันแก้ตัวเลยเปินมีคติว่ายิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งให้ทั้งหมดมันยิ่งได้ ส่วนคนไหนตะกี้นีนเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างนกมันยังแขนนะ็นเลยเพราะนกตัวนั้นได้กินน้ำมันละเจือเอาเข้ามาเปินกินมือเดียวเวลาคนไหนกินตำแส้มกับมันไก่ปิ้งนี่นะหมานั่งเฝ้าในหมาให้รอเลยดูกลมได้กินคนไหนกินมัดเก็บใบเก็มหเหงา <laughs> กินปลาทูก็มาเหลือก้างเฮ่อแมวแมวให้แตกแมวจแมวบ้านคนนั้นเจ็บเได้กินพักเอาเพราะอย่างเกมแต่ทั้งหลยายแยกเปลี่นตีหของมนุษย์แต่เทวดาเนี่ยเป็นคนเจกว้างถือคติ้หลวงประคุณยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งให้ทั้งหมดมันยิ่งได้อดัมาเอามาเขียนใหม่ว่ายิ่งห่วงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหอม ยิ่งหง่วงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหอมล้านนาไทยเฮามีนักบุญบัลุังกระคุณกับมีครูบาสิีวิจัยตายไปแล้วเกือบร้อยปีคนนับคนถือตลอดแปลงเหรียญเป็นตั้งแต่เต่านี้ก้อยสูงเต่าตึกซิบจันครูบาสิีวิจัยทำไมคนเขาลบตลอดชีวิตมีอย่างก็ฮือมด ครูบาแบ่งวัดไว้มากกว่าหนึ่งรอยหกวัดในล้าช น, นาไทายมีกตหอยตีนห้อยมือเป็นแปลงตางขึ้นโดยสุเทพบาเดียวกับบาเจ้เงินหลวงเกิดมาเป็นนักฮือเกิดมาเป็นนักแบง่งเกิดมาเป็นนักสังคมสงเคราะห์นี่คนจึงเคารพนับถือครูบาสีวิจัยเพื่อนบาเกมบเหมือนตุกเจ้าดเดียวมันเอาบัเอาทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ละองค์ที่เป็นข้าวเนี่ยธรมาไข่หักแตกเลยมันพอบาได้เลยดูเจ้าที่ทํางั้นนักนาทำหิมลอมหิมตายอยากจะฟื้นฟูภาพลักษณ์ือมันดีเฮือมันงามมาเป็นข้าวอันที่เป็นข้าวนั้นคือปัจแต่ละคนเนี่ยวันนั้นสมัยนะเขาดีเจตานะบุญขอในมณฑลธรรมาไปเทศธรรมาบปเขอในมณฑลไปพุทธมณตลเปลี่ยนวั น, นเดียวดเจ้าไปลอกขออาหาร มาเดียวนี่ตัเจ้าตี่เหมือนคู่บ้านศีวิจัยเนี่ยมันหายากคือพระตีเกิดมาเพื่อเป็นผู้เหือ่อถือคติว่าอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าดินคนอย่างอี้ตัเจ้าอย่างอี้มันหายากตันเท่าไหร่แล้วบ้านเมืองมันจะสูงขึ้นได้อย่างไรถ้าคนเฮามันหันแก่ตัวถ้าหันแก่ตัวอย่างคุณนไหนตะกี้เนี่ย คนก็บรสู้นกก็บรสู้ใจ้นกตุเจ้าแห่มกิจตัวกับแป้ขณะนกหลวงป่าไปวันเดียวยังเสียคนเลยนี่ฉะนั้นแต่ทั้งหลายสังคมเขามันจะอยู่ได้นี่ท่านต้องบังหารแก้ตัวคนหันแก้ตัวมันจะเริ่มต้นติว่าเนี่ยไดก็ได้หื่อตัวเก่าได้กำไรเนี่ยได้ก็ได้หื่อตัวเก่าได้ประโยชน์โดยบทสนมจะรับผิดชอบสังคมอย่างไรจะกล้าอย่างไดก็ได้หื่อได้เงิน จะทำกะเกษตรยังได้ก็ได้เืิอกําไรเืิอได้กําไรบรัสนใจว่าสิ่งที่เขาทำนะั่นตัวเก้าได้เงินแต่สังคมขาดทุนย่อยยับทําเกษตรกรรมก็ใสา ย, ยาใสา ส, าสาร ส, ปสเปสแล้วอันติตัวเก้าจะกินนั่นตัวเก้าก็กินของดีนะแต่ติดจะขายนั่นบัตสนใจสนหลงเงินอย่างเดียวอันนี้เพราะว่าคนเฮามันหันแก่ตัวมนุษย์นั่นเพราะหันแกตตัวแล้วแต่นั้งหลายจะไปคลื่นแบบมันดีนะ ค้นหันแกตัวอาจจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นได้เงินได้ท้องได้ยศได้ทรัพย์ได้อำนาจได้จื่อได้เสียงแต่สิ่งหนึ่งซึ่งค้นหันแกตัวจะบาได้คือจะบาได้เข้าไปนั่งในใจคนเขาได้ทุกอย่างค้นหันแกตัวอาจจะได้ทุกอย่างแต่อย่างหนึ่งซึ่งเขาจะบาได้คือเขาจะบาได้เข้าไปนั่งในใจคน เหมือนตีครูบาสสีวิจัยเปินได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายาเฮาอยู่ในสังคมนะเนี่ยเฮาต้องปฏิบัติตามตีคนมาเกาเปิ่นสอนจะเนื่ยอย่งก็ตามเพื่อแปลงใจหาคนอื่นอาัตามาชอบกรรมเนี่นะกรรมมาเกาเฮานี่เป็นกรรมดีกรรงามนะแต่ไปเอาใจอื่นหรือเนี่ยอ่าย่งก็ตามอ้เหยเอาหมกให้หมอกดีเน้อท่านทั้งหลายเกิดกึก่อ มองให้หมกดีเป็นกรมาเกา่าแปลว่าอยางตางสายกลางนี่มองให้หมกดีเนี่ยแปลว่าตังสายกลางนะแปลงใจหาคนอื่นคืออยงคือรับผิดชอบต่อสังคมที่เขาอู่ดึงวันนี้ CSR เนี่ ย, ยไม่ก็เนี่ยมันมีอยู่แล้วในภูมิปัญญาพื้นบ้านของมัวเนี่ยเขาแค่ปิกไปศึกษาคนขวัา น, นำกับมาฟืน้นฟู มูเขาเจะเนียย่ใไ้ในี่ส่วนเขาก็แปลงใจหาคนอื่นเช่นจะไถนะแปลงใจหาดินดินเนี่ยเขาจะวานเข้านอเขาไถไปไถเพื่อนแต่นั้งหลายว่าดินมันจะเจ็บก็อัดไถไปไถเพื่อนเพราะเอายาเขาใส่แต่ว่ามันจะแซบก็ <c oughs> นี่คนมาเก่าเปิ้ืกึศมดนะของอยางนี่นะเปินรับผิดชอบต่อสังคมอะ่ะ เปิ้ลจะไถนะเปิ้ลจะวานก็เปิ้ลจะแหงนะก่อนมั้งเไปไวยเจ้าตีเจ้าตังไปบอกแม่ทอหลานีเจ้าตีตัดต้นไม้ก็ขอเจ้าปลาเจ้าเขานะจะคุดตีให้ตีน้ก็ไปแหงนะไวยเจ้าตีเจ้าตังพระแม่แม่ทอหนีเจ้าตีนี่คือรับผิดชอบต่อสังคมแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาควายไถนะแล้วนาณ์นะก่อนจะตานเข้าใหม่ สู้ขวัญควายกหมืมหนึ่งยังมีอยู่ก่อนทุงวันนี้มูอเขาเกยหูวเกยหันก็สู้ขวัญควายสมัยทำไมเป็นหลอนเป็นเมื่อไหนสู้ขวัญควายควายเนี่ยเลี้ยงเขาจนจนน้อยคุ้มใหญ่เดียวใหญ่ไหมเฮาบ่ฮับบ่นับบ่ถือควายด่ากันว่าไอ้ควายเฮาหู้เวลาควายมันด่ากันมันว่าอะไรไอ้ขน ไอ้จาาคนไอ้มนุษย์มนนี่ควายตัวใดโดนดาจีนะ่ะยาพิสุทเลยอเอาหม้เตาดาควายไอ้ควายไอ้ควายแล้วควายมันดาลูกดาหลาน ม, นมันไม่เกิดดาไอ้ค้นบัญชาคดเนี่ยต้องระวังแต่ที่จริงเนี่ยคนสมัยเกา่าเปิดฮับพิช อ, อสังคมเปิ อ, อยู่กับดินเปิก็เขาลดดิน เวลาเขาเข้าป่าเข้าดอยเนี่ยปู่ยี่ไม่อุ้ยจะบอกเลยอ้เหยื่อขึ้นดอยนะ่ะจะไปอูก้กํามแบบนีนะ่ะมันก็ขึ้นดอยล้วอู้ล้ามกอู้ยาบค้ายนะ่ะผีหลอกเดี๋ยวมื่นมาละมันเปลี่ยนไปดได้ง่ายแต่ตั้งหลายสมัยก่อนมันมีแต่นะ่ะขึ้นดอยปากมาดีนะี่ยดากาันพูดจายาบล้อนอนะ่ะเดี๋ยวหมืดนฟ้ามัวฝนมาเลยอยู่กลางป่ากลางดอยจะเหนียว จะอุจาราปัตสภวะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เมะต้นไม้ใหญ่ๆสมัยก่อนในปุ่นเอาผ้าเข้าไปมัตั้งหอผีเดี๋ยวนี้ต้นพยุงอยู่หลังจวนผู้ว่าผู้ว่าออกไปตัดลิบินเขาลอบเข้าหลังจวนตัดต้นพยุงธรรมะเ ด, ดือมหัย้มาจได้ใครฮือรางวัลโนเบลมืนมาว น, นี้นะันนึ่งสุดยอดหันแกตถัว เ, เป็นแทบเป็นว่าก็หันข่ากับีแล้วะ ต้นปยุงหลังชวนผู้ว่ามันเข้าไปทัดเพื่อนอะธรรมาว่าถ้ามันไข่ได้ขนาดนี้คือมหาธรรมาเท่ามาจะทอดปลาปาั่นเสตังคือมันเนี่ยมันเลยไม่ตุกล่ำตุกเหลืออันได้ติเป็นของคบของกินของนี้ไปมั่งควางมัดเหลือเจื่อเนาเนี่ยมนุษย์ทั่วเนี่ยบรรับผิดชอบสังคมแล้วหันแกตัวกันหันแกอยากหันแกได้หันแกกิน อยู่กับดินกับบาร์รอบดินอยู่กับป่ากับบาร์รอบป่าอยู่กับน้ำบาร์ครอบน้ำอยู่กับลมบาร์ครอดลมบาร์ครอบลมอยู่กับอากาศกับบาคารอบอากาศจนกระทั่งปีนี่นายกต้องออกกฎหมายพิเศษไผจิ้คือเห่จับเขาคุกวันนั้นเซียงไฮ้มีคนหนึ่งแม่สายเนาะจี้คือหลังบ้านเข้าคอกไปเลย เออปีนี้จชียห้ยเชียงใหม่มองขึ้นไปทางบนน่ะหันก็กุมภาเมีนาเนี่ยปีนี้หันฟ้านะสี่ห้ปีติพานมาบ่หันเลยเนี่ยเขาต้องปึ่งนายกอ่ะถ้าใบเจ้ก้หมายแห้งๆมันเอาได้นะเนี่ยนาเสร็จละเผามดเผาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อาชาจันท์มากกันว่าทําไมเขาเขาการศึกษาคนเขาเมื่อเดียวนี้มันดีกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเจนพ่อเจนแม่เฮานี่มันจะเห็นอย่างนักจบภาีก็ละ แต่ทำไมเปลือกหักสิ่งแหว่ล้อมได้ดีกว่าหักดินหักหน้ําฮักฟ้าหักป่าหักเขาได้ดีกว่าหมูเขาในน้ําก็บมฆป่าในน้ก็มีเขา้าทําไมเปลือกทำอย่างนั้นเปลือมีอย่างหนึ่งตีคนสมัยเฮาแบบมฆมีอย่างจิตสํานึกคนสมัยก่อนความหูอาจจะบนักแต่จิตสํานึกสูงคนสมัยนี้ความหูนักขนาดแข่งกันเห็นหนังสือปริญญาตีมปอแข่งการเห็นปริญญาโท ปริญาโทพราแข่งกันเห็นปริญาเอกความหูสูงแต่พฤติกรรมมันจําลงคือขาดจิตสํานึกตีให้เชิญตะวันเนี่ยธรมาสอนค้นหือมีจิตสํานึกนั่นคือธรรมาหื่อหมอนวดนวดหื่อนะท่องเที่ยวฟรีทั้งหมดเลยตีให้นะไปไปเดินแอร์ให้สองร้อยลทําเมืนะไปนอนหื่อหมอนวดนวดฟรีมีหันวันหนึ่งมีคณะกรุงเทพมาซาวคน้น เออจนค่อยนะสองชัมมง่วโมงเมื่อแข้งเมื่อขาไปนอนให้หมอหนวดหนวดหนวดหนึ่งชั่วโ ม, มงเสร็จแล้วก็มากราบอาตมาจะขึ้นรถละพระอาจารย์เจ้าขาโยมว่านะหมอนวดน่ยฝีมือดีทุกคนเลยพระอาจารย์น่าจะให้หนวดแบบเก็บเงินนะสงสารเขาอาตมาบอกอ่ะไม่โยมเอาอย่างนี้แหละ สบายใจกว่ากันเยอะเอาแล้วเขาไปได้อะไรล่ะคะเนี้ยนวดฟรีอย่างเงี้ยอาตมาก็บอกว่าคือของอย่างงี้นะคุณนายมันแล้วแต่จิตสำนึกปิ๊กไปไหมไปหาหมอนนวดเอาใื้ทุกคนเลยอันก็อันนี้มันเป็นบทเรียนตีสำคัญมาก คุณเนี่ยใดอย่างใดคุณไปเจ๊แห่งงานปืนไปปึ่งป้นคุณกินกับคนอื่นตั้งแต่หัวจุดตื่นเนี่เขาเป็นหนี้เป็นค่าเปาื่นตนั้งหลายห้ก่อตื่นมาเขาสะผมเนี่ยมีกี่คนติดแปรงโรงงานแชมพูตัวเก่าเขาล่างหน้ามีกี่คนติดแปรงโรงงานสบูเขาใส่แวน่นมีกี่คนติดตัดแวน่นเฮ้อดเก่าใส่เขากินเข้ามีกี่คนติดปลูกนาเอง เขาหนุ่งเสื้อมีกี่คนติดปลูกมอนเลี่ยงไหมและก็ทอผ้าเขาขี่รถมีกี่คนติดประกอบรถยนต์ด้วยตัวเองท่านทั้งหลายเขาหายใจไผ่ผลิตออกซิเจนด้เองบ้งทุกคนตั้งแต่หัวจดตีนตีนจดหัวเขาปึ่งคนอื่นมดเขาเป็นหนี้เป็นนะเขาขึ้นต่อคนอื่นชีวิตของเขานี่แต่แล้วทำไมเขา ทั้งๆ ท, ที่เขาเนี่ยปึงปา้าใส่คนอื่นแต่ทำไมเขาถึงหันแก้ตัวเนี่ยอย่างบาคํานึง่งขอคนอื่นและขาดจิตสํานึกอันนี้เป็นอาการของสังคมที่เจ็บป่วยสังคมไทยนั้นขาดสามอย่างนะหนขาดความหู้ 2. สขาดความรู้สึก3าขาดสามัญสํานึก บ้านเขาเมืองเขาถึงวิกฤตตลอดมาเดียวเนี่ยเขาเป็นร้องเป็นแทบทุกด้านเลยดัชนี้การพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างตกต่ำขนาดนั้นการศึกษาก็ต่ำต้อยโดยขาดล่าหลังอาเซียนเพราะว่าสังคมไทยนั้นขาด3มอย่างหนึ่งขาดความหูทุกๆวงการหาผู้รู้ตัวจริงยักขนาดไห น, น ต, ตั้งหลายยังเขาเมือเขาเป็นเจ้าพูดสนยายเนี่ย จะหาชาวพุทธมีความหูความลวกว่ะพระพุทธเจ้าสอนอยังอยู่กันมาจนปดเท่าขำวัดไม่อุ้ยเข้าวัดมาอันยุมาบได้ป้าก่อนเาวหวานเนาะตั้งแต่เป็นละออนอุ้ยก็ตึงหาเข้าแล้ว เ, เดี๋ยวนี้แต่ไหแดิกละอริยสัจสีมีกี่ข้ออุ้ยยังงงอยู่บอกคือขนาดนี้ยังงงอยู่ พูดเเจ้าสอนอะไยังก็ยังงงอยู่เนี่ยสถานการณ์ของสังคมขาดความรู้ในบ้านในเมืองเอาเป็นอีงนะประเทศไทยด้วยเดือนแล้วนี่มันเฮอลูกเทพขึ้นเหมือนกันอปาโมสังคมเฮลูกเทพกันนะจนกระทระั่งมาซื้อตั๋วของบินห้อลูกเทพได้จะตาหน้าบุญนะกรมการบินระวังประเทศนะ เปิดประชุมรวมกันแล้วเปิดเบว่าลูกเทพเนี่ห้ามห้องเป็นคนนะ่ะฮื่อเป็นได้แค่สัมภาระฐนะเวลาขึ้นเคื่อเป็นพอโดนฝรั่งตอกหน้าคนไทยถึงยอมรับว่าเออใจแทบบ่เฮ้ยแข่สิ่งของอันก็ประเด็นนี่มันบ้าเลือเปิลนนะต้องยืมปัญญาฝรั่งมาตอกหน้านี่คือสังคมขาดความรู้นะเวลาจะเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาเนี่ยนะมันเป็นปรากโกตรการ ตังวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่้เนาะบ้านเฮายัางถึงวันนี้ยังตีเคราะห์ไม่อยู่เลยบ้านเมืองวิคิดอย่างก็ะตามนะบัถามนักวิทยาศาสตร์บัถามนักวิจัยบัถามนักวิจัยการนะ่ะถามมอดูเป็นลกเป็นรักทุกเจ้าเตะกับฟังมอดูอู้ในฟังบัดธรรมะกับมเข้าใจเหมือนกันนะนี่คืออาการสังคมที่ขาดความหู้ฮะฉะนั้นเหมือเขาขาดความหู้เวลาเขามาทําเกษตรกรรมเนี่ย เขากินก็นดินเขาก็ทำลายดินเลยเขากินกับ น, น่ำเขาก็ทำลายหน่ำเลยเขากินก็นปลาเขาก็ทำลายปลาเลยทั้งๆดิทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นผู้มีพระคุณต่อเขาเนะี่ยแต่เขาทำลายเป็นขนาดนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พระอาจารย์สแสดงอยากจบาะบอกว่าอาการของสังคมขาดความรู้สึกสองขาดความรู้สึกสังคมเสื่อมบ้านเมืองเสื่อมบัรู้สึก นายัางใช้ชีวิตสบายๆต่อไปปุณบอกคือไป ล, นนน ล, ง, ล, ง, นลงนั่นลน่เมาไมเอ ม, มไปแม่เป็นกลา ง, งจริงๆอันนี้ไม่ใช่เป็นกลางอันนี้นะอันนี้แตงกักเนะ <laughs> ถ้าไผลเนี่ยะได้ดีแม่จะเอาตัวเองถ้าเผอะมันเสียงแม่มเมาแล้วแต่เราปิณเอาของมาแจกเอาปุ๊นี่คือคนไทยเนอะ บางหุ้นซื้อหุ้สมว่าบ้านเมืองมันเสื่อมเหมอพ่ออย่างพ่อบางเฮาเนี่ยหักตัวกวดตายลําไปบางหักบ้านบางหักเมืองบางหุ้นซื้อแบบวเก่าก็เป็นส่วนหนึ่งของความเสื่อมมันเสื่อมกับเสื่อมไปเป็นอย่งโดยเฉพาะคนเมืองเขานาะมีกําอู่ติดตาอยู่กํานึงว่าอันยังเปลําไปเหลือยเหมืนกันเปิ้นจ้วนี่ยยังดีๆนะอันยังเปลําล่เหลือยทุลุ่มจ้องเรื่องมาก ให้มาดีก็ะขมั่าให้มาดีอเอาไปเจ้ในทางเสียหายเหมอต้องได้ที่เป็นกรรมดีนะอันยังปลาล่ปเหลือนี่มันสะท้อนว่าจะปีกขึ้นที่ขึ้นย่อยมันกลายเป็นคนที่บบปฏิเนตกับอะไอย่างสักอย่างเนี่ยอย่งกําแจ้สัอย่างเปิ้ลเบาฮึ่งปลูกพืชพักสวนควรัวเกษตรอินทรีย์เนะ่ปลูกหอมเนาะปลูกเอาเหี้ยน้าโพหนึ่งได้ขายสักะารปกันปลูกพนระิกเนาะปลูกเอาเหี้ยแทกเดี๋ยว มะอีก้าละเนี่ยไปกับเจดีขึ้นได้ขายเคยได้ยินกออาตมาดึงอ่อนใจกับคนเมืองเนี่ยนะอุ้ยผูกกะลอมเนะอะพระจารย์มาตังมาอ้่ะในห้างมิเไปเละเราออตั้งไหนไปซื้อมีกอนี่ยหานกอไม่เป็นอย่างอี้นะเวลามีคนมาบอกมะเกากับบนยอมลับบหูซึกงร้อวัตัวเก่าเป็นส่วนหนึ่งของความเสื่อม สก็คือขาดสามัญสำนึกเรื่องพื้นฐานเนี่ยสามัญสํานึกบบ ม, มีกฎหมายบังคับแต่เขาต้องหัว่าเรื่องใดกวนบบควนเดียวนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันก็เลอะเทอะไปนักแล้วคนสมัยเก่าเนี่ยเข้าป่าเนี่ยต้นไม้ไนะงเปิดบ่ตัดนะเปิดจะเนี่ยจะทายวัชระปัสสาวะลงบนดินเนี่ยเปิดต้องไหวแล้วไหวแหมนะกล้าแล้วกล้าแหมนะสามัญสํานึกเปิดมีแบบ ม, มีกฎหมาย บมีกองวงจรปิดนะในหอในอนี่จะอยอย่างก็เออวังพีหอพีหัวเนอะคนหันีหอพีหันหันหอเอะเดี๋ยวนี้ไปอู้ใส่ละอ่อนลอุย้ยมัต้องอู้หรอกผีหอผีหน่ะถ้ามีกับป้าจมดละ่ายีหอผีหัก็ให้ด้วยความน้อยใจให่ไปอยู่ที่อื่นเถอะร้อนมันับบาถือไม่ก็เออ คนเฒ่าคนแก่ป่วยสมัยก่อนเปิดสอนกันว่าไผ่ได้ดูแลป่อดูแลแม่ลูกคนนั้นมีบุญที่สุดไหมก็ได้ผลในบันพัฒวีพะระอรหันเดี๋ยวนี้ป่ออุ้ยไม่อุ้ยป่วยเนี่ยคนเฒ่านี่จะได้เนี่ยตายมัยซักเดียเชื่อมเงินหมู่จะได้เนี่ยโลกนี่นะคนอื่นเป็นหมดตายกันมัดแม่อุ้ยได้ยินใสตัดใจตายเหรพร้อมใจนี่ นี่คือคนมันสามัญสำนึกบบนี้่เมื่อเดียวน่ะสำนึกบางทีมันเกี่ยวกับการศึกษาชั้นสูงเกี่ยวกับคุณธรรมในใจคนคนมีคุณธรรมอ่ะป้าสตังเหียเปิดกระเป๋าคนมันมีคุณธรรมสตังเปิดเอาใส่ตู้เซฟมันเปิดตู้เซฟได้มันยกไปดึงจู่ตีแล้ววะทำไมก็มีติให้ฮะเนาะ ปีน่องจ้าพมา่าเปิดเอาเสตงพับเป็นนกยุงมาจ้าอาตมา ส, สอตัวนกยุงเขียวนกยุงแดงงามขนาดอาตมา ก, ก็บอโอ้ปีน่องพมา่าเปิดเอามาจ้าในะห้อแก่แล้นะต้นพ้าปาต้นที่หมอแก่และเอาวางไว้ในห้องรับแขกท่นเจริญมานะ่ยแล้วอดหลด <c oughs> <c oughs> เหลือกัดตอกเหลือกัดต้นมัน ปีกห่างมันที่เขาสต้งมาแปลงเนีไปมัดเลยอาตมากับปาทูเขาอยู่มา น, นี่เจ็แปดปีมันไ่เคยมีขโมยอะเดือยนี้มันมีมาได้ยังไงใจคนเขานะสืบไปสืบมากระถามลาอ้อนว่ามีไผ่มาพักกอเขาบอกว่ามีตะคืนมีคนมาพักสี่คนนะแลําเดือนนี้ไปจะได้เขาโอา้อดตีสีแล้วนะเขาว่ามัต้องบอกท่านวอน่ยบ่ายรบกวนเปิ่น เฮาประจัดมามึงลบกวนเรียบร้อยแล้วนกหยูงกูสองถัวถอนปีกถอนหางหมดเลยเนี่ยอันนี้ขนาดไหนว่าไในว่าก็บมิสามาสันสนึกแล้วเนี่ยอาารยตั้งหลายฉะนั้นบ้านเฮาเมืงเองเฮาธรรมาขอคือเติมละเฮาขาดสามก็เติมสามละหนึ่งเฮาขาดความหูเรื่องได่บห่หูแต้ก็ไปหาความหู้เหี้ย มันเปใจยากความหู้มันเป็นของกลางใครเดินเข้าไปหามันเดี๋มันก็มาอยู่กับเขาในร้านหนังสือมีเพเลคิดเตอร์ย่างไข่หู้เรื่องอย่างในยู u ูบจะเอาสักต่วใดใน Google ยาวสักต่วใดความหู้ความล็อกเนี่ยชื่อหนังสือมาอ่านเปิดทีวีพอนะเปิด Google พอเปิด youtube พอความหู้มันจะไหลมาอย่างกระนําปลาด่างไหลมันใจยากเราหาความหู้ดังวันเนี้ยเนี่ยบ่มีความหู้หาความหู้ สองเมีความรู้สึกติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองจะได้หู้ว่าโลกไปถึงไหนแล้วมันจะได้มีความรู้สึกมีความตื่นตัวตื่นตัวขึ้นไหมจะได้รู้สึกอันรู้สึกนี่มันก็แกะงาด์นะมันก็แกะงาดเพราะบางคนเนี่ยได้กลับรู้สึกเนี่ยห่อเนี่ยหางมันรู้สึกมันกลับรู้สึกอูดงชมันกลับรู้สึก คนบางคนต้องร้องคือมันตายไหฮะดูจ้ามึงเถือกับออนใจเหมือนกันเตลดปากเปียกปากแฉะย้อมเหยจะไปกินเหล้าเนอมันว่าของเขาพระจานร์ใบจีเคยเป็นคนบืาอน่ะของอีพระจานทร์ใจหู้ขอบอกมันว่าเฉยหน้าเขาเขากัเลยว่าเออามึงตับแข็งตายนะมื่จะป่วยจะตายจะไปมนีมเนอะเดเขาก็ใข่ ตอกมันนักนักันนะเมื่ก็เปิดห้างมันสอนมันมันหมูสึกงลอกมันลดมันเป็ี่ยนอีแล้วก็สามัญสํานึกก็เหมือนกันสามัญสํานึกแบบนี้อยู่ในกฎหมายมีอยู่ในใจของเราทุกคนฝึกเอาต่ดนังไหลายคนสมัยก่อนเโอ้เปินเปิดจะผ่านวัดเนี่ยทำมีต้นสลีเปินทอดมวกนะเม่ก็ทอดมวกอย่างเขาในวัดเนี่ยทอดเกิบนะ เดี๋ยวนี่เดินสวนทุเจ้าจนได้จนเลยไมมีปัญหาอย่างนี้อรอกตาทุเจ้าทุพีขอเซลฟยวีเอาั้เนี่ย <laughs> มือเหี่มข้างหนึ่งกอดทุเจ้า <laughs> มันกัดได้อยู่นะบางคนมันกัได้อยู่แต่บางคนมันก็เกินไปเนี่ย <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันมีมันมีข้อจํากัดของมันแต่ถ้ามนุษย์เขาบำมีความบำมีสามัญสํำนึก มันก็ก้าวข้ามกันมันมีหลายเรื่องตีบ้านเฮาเมืองเฮาขาดเตะสะทอนแบบเป็นบ้านเมืองตีขาดสํามัญสํานึกแต่ธรรมาแบบอยากจะอู้ไปนักเอาหมู่เฮาเกือบเอาคนเดียวน้อทุเจ้าก็อยากมีอนาคตบางเรื่องก็ม่ต้องอู้ก็ได้ <c oughs> แต่จี้ไว้ว่าเฮาขาดสามเรื่องนี่หนึ่งขาดความฮู้เพราะขาดความฮู้เนี่ยเฮาก็เลยพิษหัวกันง่ายนะ หลายเรื่องนะติมันเถียงเถียงกันถ้าเอาความหู้เป็นรักมันพีละติมันเถียงกันเพอมาเอาความเห็นมาเป็นรักอันความเห็นเนี่ยไผก็มี่ัดติมันเถียงกันนี่นะอ่มันเถียงซะบ้าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเอาลักเอาเกลียมาจับมันก็จบอะแต่คนไทยมัชอบใจชอบใจความหันหรือความเห็นมาเถียงกันสองความรู้สึกเราติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองเราเดินทางพ่องย่างพ่องเขาไปหันบ้านอื่นมืออื่นเขาจะพูด ว่โอ้บ้านเมืองติดเจอเล่นแล้วเปลืองเงอย่างเอนาะเช่นเขาไปญี่ปุ่นนาะเขาไปญี่ปุน่นเนาะเปลือจะเงี้ยอย่างกันตามเปลือจะเข้าคิวนะทุกขนทุกแห่งเลยเข้าคิวหมดอะไปซื้อเข้าซื้อของในลงอ่าในวัดในวานในศาลเจ้าไปร้อขึ้นนอดเปลือจะเข้าคิวถ้าผ่านี้ยอย่งแปลกปลอมปุ๊บเขาจะหู้ซึกเลยว่าเอออันนี้มใจญี่ปุ่นแจเนาะเนี่ยเปลืองึกกันมาอย่างนั้น อาดามาไปเตะเตียอังกฤษฝรั่งมันแซวอ่ะเ <_ d ata> พื่อนผมไปเสียชีวิตที่กรุงเทพหลายคนครับพรเจารย์ว่าทํามันทําไมเพื่อนผมไปจากอังกฤษเนี่ครับตายไปแล้วห้คนทําไมพอไปถึงกรุงเทพพยายามที่จะข้ามถนนตรงทางมาลายครับรถ <d ata> จอดตายหมด <_ d ata> คนกเขาเนี่ยมันไพ่บาทํามตามอ่ะแปลงไปฮะเนาะฝรั่งเนี่ยถ้าเขาจะข้ามถนนเขาแยตีลงไปรถจอดเลยบาด้องตางมาหลายหรอกเป็นจะักรเกียรตคน คนสำคัญที่สุดแค่ทำท่าแย่เข้าไปเนี่ยเอาละลดเปจักรยล้อละของฮาฮอวลงไปเกิงตัวละนะทุเจ้ากุ้มบาทนะมันชฉวดมันฝาบาทล่นเลยอะ่ะเวลมันขนาดนั่นนะกรุงเทพนะเน่คือบรบรหูซื้ออะบอรูซึกว่าอันใดควรอันใด้ม่ควรและสามก็สามัญสำนึกฝากท่านทั้งหลายสอนลูกสอนหลานเอาเนอะเรื่องสามนสนึกเป็นเรื่องแบบนี้อยู่ในกฎบัตรกฎหมย เรื่องใดตีทําได้เรื่องใดทำมาได้เรื่องใดคร อ, ดอบเขตแค่ไหนอะไรยังไง <c oughs> เขาต้องเจอกันบอกช่วยกันกลาวจะไปปล่อยปะละเลยล้มไป <c oughs> ถ้าเขามีสามอย่างหนึ่งมีความหู้ถ้าท่านเป็นเกษตรกรท่านจะบอ่อทาลายสิ่งแวดล้อมถ้าท่านมีความรู้สึก <c oughs> าท่านจะบ่ปล่อยให้สังคมเสื่อมทามในยุคสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะลุกขึ้นมาเจอกันกอบกู้และถ้าท่านมีสามัญสำนึก ท่านจะสามารถครองตนเป็นคนดีอยู่ได้โดยติมต้องเผมัจี้นะผักว่าอันเนี้ยทาได้อันนี้ทํามาได้ท่านสอนตัวเก่าได้ท่านเป็นครูตัวเก่าได้ฉะนั้นวันนี้พระจานทร์ฝากสามเรื่องเนื้นอฮึป้ากันนําไปประพฤติปฏิบัติเนาะเอาละคิดบัดได้ใจเวลามาพอสมควรแล้วเนาะก็เหลือเวลามานิดหน่อยก็คงเป็นอย่างเนาะในทายที่สุดเนี้ยแตมาก็ขอโมทนาสาธุท่านอธิการบดีท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์พระเจ้านักเรียนเจ้านะ้าทุกท่านผู้มีเกียรติมาร่วมฟังทรมกถาขอให้ท่านทั้งหลายรวมกันรับผิดชอบสังคมเนอเริ่มจากสิ่งเล็กๆ น, น้อยๆัยทําสิ่งใดอยู่ทําสิ่งนั้นใหด้ดีที่สุดอันนั่นแหละคือรวมรับผิดชอบสังคมขอให้มีความสุ ข, ขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดเดี๋ยวครับป้อนพระฝรั่งด้วยเนาะ No, uh, May you be happy. May you be strong. May every day of your life should be a beautiful day. Uh, may you not play too much on your smartphone. จะไปเล่นโทรศัพท์นัก And may you be free from suffering. And may you be free from enemies. n a อายุวันโนสุขังพระหลังเนาะสาธุ